พยายามทำใจให้เป็นหลักเพื่อเป็นเพื่อนยึดของตัวเองทำอะไรต้องมุ่งหลักไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลนวนเลยหาความแน่นอนไม่ได้การอยู่ด้วยความไม่แน่นอน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 มีรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง จ, จิตใจไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานอะไรต้อมเป็นไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์ด้เหตุด้ยผลเป็นความแน่นอนการอบรมจิตใจด้วยศีมด้วยธรรมก็เพื่อจะให้ใจเป็นหลัก ใจนั้นมีอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอ็งเอียงไปตามกิ่งต่างๆไม่มีประมาณอะไรมาผ่านก็เอ็งเอียงไปตามมาพัดนิดๆหน่อยๆสัมผัสนี้ๆหน่อยๆก็เอ็นเอียงไปตามนั่นคือจิตไม่มีหลักเกณฑ์ตั้งตัวไม่ได้ถูกวัดถูกเหวี่ยงไปมาอยู่เสมอ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 คือการกระทําไปด้วยเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องดีงามตามที่ท่านสอนไว้แล้วเราอย่านำความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคอีดขวางทางเดินโดยเหตุโดยผลของเราเพื่อจะเป็นผลันดีให้เกิดขึ้นากตัวเราเองอยากตัณนิตนมากอำนาจวาสนาน้อย เมื่อใเขาทาเข้าทางเป็นลักษณะเหมือนคนขี้บน่นอยู่ที่ไหนก็บน่นเห็นอะไรก็บน่นเกี่ยวข้องกับใครก็บน่นทําหน้าที่การงานบ่นให้งานเกี่ยวกับคนบ่นให้คนพบค้าต่าคมกับใครบ่นให้คนนั้นบ่นไม่หยุดไม่ถอยบ่นให้ลูกให้หลานบ่นให้สามีธรยาส่วนมากเป็นผู้หญิงแต่ต้องขออภัยที่บ่นจริงๆหากไม่ได้หลักได้เก่ง การบ่มให้ตนเองโดยไม่สาะแสแวงหาเพื่องส่งเสริมในจุดที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมามันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครไม่ได้หาอำนาจว่าสนามาให้เห็นได้อย่างชัดเจนดังหาสิ่งหาของซึ่งเป็นด้านวัตุ แต่มีอยู่ภ า, ายจิตใจด้วยกันเท่านั้นหากมม่มีวาสนาแล้วไหนจะมาสนใจกับอัตถะธรรมเริ่มต้นก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ในเสียจะดิบจิตวิกลมีการต่างๆแล้วยังไม่มีความเชื่อความน้งใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของโลกของประเสริฐไม่มีอันใดที่จะไปเสริดยิ่งกว่ า, าศาสนธรรมซึ่งเป็นเพื่อน ให้ยุงสัดว์ใหลื้อขนตัดให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยงดดังที่เคยกล่าวเสมอว่านิยานิการทำนั่นก็คือออกจากาศาสนธรรมนำธรรมเหล่านี้ไปบำบุงจิตใจของเราที่เห็นว่าบกพร่องความบกพร่องที่ตรงใด น, นั่นและคือความอภภาพของจิตที่ตรงนั้นการกระทําให้อจิตความเป็นอยู่ของจิตต้องบกพร่องด้วยกันเรามองดูจิตนี้มากยิ่งกว่าที่เราจะไปมองอื่น เป็นดมดมแรงแรงแรงคือว่าตำหนิดอำนาจวาสนาเจาของมันน้อยมันมีอำนาจวาสนาคนอื่นเขาดีหมดแต่ตัวไม่ดีทั้งทั้งที่เราทำดีอยู่ทำไมเราไม่ดีแล้วไปทําความเสียหายอะไรเราถึงไม่ดีการทำดีอยู่จะไม่เรียกคนดีจะเรียกอะไรความทำดีนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองคนผู้นั้นว่าดี ไม่ใช่การทำชั่วแล้วเป็นเครื่องรับรองคนให้ดีไม่มีตามหลักธรรมไม่มีนอกจากคือสรรพันดรอขึ้นมานด้วยอํานาจของกิเลสพาให้ชมเชยเท่านั้นกิเลสชอบชมเชยในสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีตำหนิในสิ่งที่ดีว่าเป็นของไม่ดีเพราะฉะนั้นกิเลส ก, กับธรรมจึงเป็นข้าสึกกันเสมอมาอันใดที่ทําชอบกิเลสไม่ชอบแล้วกิเลส ก, ก็อยู่กับใจของพวกเราเอง ทำก็อยู่กับใจหากิเลตนี้มากก็คอาแต่จะตำหนิปิเตียนทําเหยียบย่ทำทําลายทำปัญจจิตใจการที่ยอมเป็นตนให้เป็นไปเพื่อความดีงามไม่เด่มากเลยผลตามความมุ่งมั่ปัจฉานะจึงมีการคัดค้านตนอยู่เสมอโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือการตําหนิปิเตียนตนว่ามีอํนน า, า, นานาจวาสนาไม่เกิดมาอาพาวาสนาแต่ใครเขาลูกเขาเห็นแต่เราไม่ลูกไม่เห็นใครเขาเป็นใหญ่เป็นโตปาญจจิตใจแต่เราเป็นเด็กเล็กๆ เรากับสามัญ น, น, น้อยองหนึ่งอยู่ภายในจิตใจนี่ก็คือตำหนิตรงนี้เถยแล้วเกิดความหยาบล้นขึ้นมาด้วยทำให้น้อยใจตนเองการน้อยใจนี้ไม่ใช่จะทำให้เรามีความขยันมันเพียงนี้แต่จิตใจใจเพื่อบำเพ็ญตนให้มีระดับปันสูงขึ้นแต่เป็นการเหยียบย่งทำลายตนลงคือให้เกิดความท้อใจซึ่งไม่ใช่ของดีอเป็นอุบายคนอุบายของกิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องท่ำสอนคน ให้เราทราบไว้ว่าอุบายเหล่า น, นี้คือเรื่องของที่ไหนยงบกฟ่องที่ตรงไหนพยายามแก้ไขดัดแตงลงโดยที่ตึงนั้นถูกต้องกับหลักธรรมที่เจ้าแท้ไม่ผิดจะ ต, ต้องสมบูรณ์ขึ้นมาในวันหนึ่งแน่นอนเมื่อรับการบำรุงอยู่สม่ำนี่คือทางที่ถูกต้องใครไม่ได้ไปที่ไหนไมไ่รู้ที่ไหนรู้ที่จิตวาสนาก็รวมอยู่ที่จิต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 เห็ไหมใหญ่โตขนาดไหนขุดจนเดือนเดือนก็ไม่ลาบเราจะขุดทำมันราบเหมือนที่ทั้งหลายฟันมันสองซี่เท่านั้นหนะมันสามารถสร้างจนปลวกได้เกือบเท่าภูเขานี่เพราะความเพียรของตัวทั้งหลายเรามีความเพียรมากยิ่งกว่าตัวฟันเราก็หลายซี่กําลังเราก็มากยิ่งกว่าตัวทำไมเราจะสร้าง ตัวเราให้มีความสูงเด่นขึ้นมาได้ต้องสูงได้ด้วยอนานาจแห่งความเพียรแค่เหนือความเพียรไปไม่ผมแต่พูดที่จารได้จัรู้ ด, ด้วยความเพียรเราทำไมจากการเป็นคนอาภัพไปด้วยความเพียรทั้งๆที่ความเพียมีมากแต่การเป็นคนอาภัพเป็นด้วยรดับแบบไม่มีถ้าลงได้เพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไปแล้วไม่มีทางอื่น นอกจากจะทำผู้นั้นให้มีความเจริญมุ่งเดืองพุทธ น, า, นาจิตใจเป็นกลายเป็นจิตที่มีหลักฐานมั่นคงเราจะเห็นได้ชัดชัเช่นอย่างเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยเช่นภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆจิตไม่เคยรวมไม่เคยสงบให้เห็นปรากฏบ้างเลยแม้แต่น้อยในเวลาเราฟังธรรมที่ท่านแสดงในธรรมภาคปฏิบัติพูดถึงเรื่องสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวท่าน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 พูดถึงเรื่องปัญญามันพิจารณาคลี่คลายถึงเรื่องธาตุเรื่องขันตลอดถึงโลกธาตุซึ่งเป็นสภาวธรรมทัว่วไปอันควรแก่ปัญญาที่อพิจาณาให้ผู้แจ้งที่จริงเราก็เลยเพียงแต่เข้าเข้าใจในคำพูดเฉยๆแต่ความมุ่งหมายอันแท้จริงนั้นเราไม่ทราบหรือบางทีอาจไม่เข้าใจเลยก็ได้ถึงเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยจิจตภาวนาอยู่โดยสม่ำเสมอผิดก็มีความ สงบเย็นใจบ้างอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวนาพอท่านแสดงธรรมถึงภาพปฏิมาจิตของเรากับกระแสธรรมจะเข้ากันเริ่มเข้ากันได้โดยลํำดับลาดับกระแสธรรมเลยกลายเป็นบทเหมือนกับบทเต็มที่แม่กล่อมลูกให้หลับสนิทนาจิตจงเรามีความสงบได้ด้วยกระแสธรรมที่ท่านแสดงเมื่อสงบได้ ใจก็เย็นสบายเห็นผลในขณะที่ฟังธรรมแล้วค่อยเห็นคุณค่าของการฟังธรรมโดยลําดักและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเข้าโดยลำหนักจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นจริงๆแทบทุกวันทุกครั้งที่ฟังเทศจากภาคปฏิบัตินั่นแลจิตยิ่งมีความดื ด, ดดึงและทราบซึ้งมันเป็นลำหดับลำหนักนี่เพียงขั้นนี้ จิตก็ยอมรับจิตพอใจในการฟังทําทางภาพปฏิบัติยิ่งจิตมีความละเอียดมากยิง่งหละสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมีความละเอียดไปตามขั้นเห็นสมาธิมีความละเอียดขึ้นโดยลำนับผู้พิจารณาทางด้านปัญญาก็มีความละเอียดทางด้านปัญญาพปโมยลำดับด้วยแล้วการฟังทำท่านแสดงในทางภาพปฏิบัติทางด้านสมาธิ จะเป็นขั้นใดก็ตามทั้งด้านปัญญาขั้นใดก็ตามจิตจะรู้สึกจะคล้อยตามไปโดนดับเพื่อเพิ่มเพื่อเพลิงอะไรพูดไม่ถูกซึ่งลืมไม่ลาเวลามีแต่ความรู้สึกกับธรรมที่สัมผัสกันเกิดเป็นความเข้าใจทุกขณะขณะขณะที่ท่านแสดงไปเป็นการซักครอจิตใจไปในตัวันในตัวและปลอมจิตใจลงไปในตัว ถ้าจิตอยู่ในท่านที่มีความสงบก็เหมือนกับว่ากล่อมลงให้สู่ความสงบจิตกําลังก้าทางด้านปัญญาก็เหมือนกับขัดเกลวเวลาฟังเทศเหมือนกับอ น, นามายที่สะอาดเข้ามาชั้นล้างสิ่งที่โสกรปรดคือภายในจิตใจให้มันโปรงใสขึ้นโดยลําดับลําดับเห็นผลประจักษ์ในขณะที่ฟังจิตยิ่งมีความรักความชอบในการฟัง จดจ่อต่อเนื่องกันโดยลําดับอยากได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่ำเสมอทุกวันถ้าดยสัซ้ำนอกจากนั้นยังอยากจะฟังไปตามโอกาสเวลาอีกด้วยนี่เราคิดดูอิจดวงเดียวนั่นแหละในขณะที่ฟังไม่รู้เรื่องก็มีนี่เคยเป็นแล้วจึงขอเรียนเรื่องความโง่ให้ท่านทั้งหลายฟังขณะที่ไปหาท่านอาจารย์มั่นทีแรก ไปฟังท่านเทศแสดงท่านเทศเรื่งสมาธิเรื่องปัญญาไม่ว่าขั้นไหนไม่รู้เรื่องเลยหงิกับล้องเพลงให้คลายสั่งเนี่ยแต่ดีอย่างหนึ่งไม่เคยตําหนิติตียนท่านว่าท่านเทศไม่รู้เรื่องรูหลายย้อนกลับมาตำหนิดเจ้าของว่านี่เห็นไหมท่านอาจารย์มั่นชื่อเสียงท่านโด่งดังกิจสัตยิคุณท่านหรือก็ถอนมาเป็นเวลานา น, านตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก เรามีความพอใจที่จะได้พบได้เห็นได้ฟังโอวาทของท่านวันทีนี้เรามาได้มาฟังแล้วไม่เข้าใจเราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดเราโง่แค่ไหนนะเราเคยฟังเทศทางด้านอปริญัตฟังจนกระทั่งถึงสมเด็จเราเข้าใจไปหมดแต่เวลามาฟังเทศท่านอาจารย์อาจารย์มั่นซึ่งเป็นองค์ที่พระประเสริฐเราเชื่อแล้วว่าท่านเป็พระประเสริฐพระกุศชื่อนามานาไม่เข้าใจ นี่เห็นแล้วยังความโง่ของเราเราหาความโง่มาเต็มตัวความฉลาดยับึไม่มีจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจอัตธรรมของท่านที่แสดงอย่างลึกซึ้งดังที่พระทั้งหลายทั้งเคยได้ฟังท่านแสดงแหมวันนี้ท่านแสดงทำลึกซึ้งมากนี่แต่เรามันลึกซึ้งที่ไหนไม่มีซึ้งอะไรเลยไม่เข้าใจนี่ชะโง่ไหมทราบแล้วยังว่าเจ้าของโง่นี่ตาําหนิเจ้าของดีอย่างหนึ่งที่มันไปตาําหนิท่านก่อปวยกรรมเข้ามาทับเขาซะอีก ทั้งๆ ท, ที่หมักอยู่แล้วหันฟังท่านไปนานๆแล้วปฏิบัติไปทุกยี่ทุกวันทุกเวลาแล้วฟังเทศท่านค่อยเข้าใจค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไปโดยลำหนักวันนีนี่คอยรู้สึกว่าค่อยซึ้งธรรมเทศนาของท่านเข้าใจพูกติงดนงสมาธิและแจ๋วภายในจิตใจจากนั้นก็เริ่ม เข้าใจโดยลํดับลำดับทราบซึ้งโดยลำดับลำดับทีนี้โดยกายเป็นคนหูสูงอสูงอย่างนง้ไม่อยากฟังเทศของใครเลยเทศไม่ถูกจุดที่ต้องการเทศไม่ถูกจุดของที่เลสที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่เทศไม่ถูกจุดของสติของปัญญาซึ่งเป็นธรรมแก้ที่เลนะนะพูดไมพด่พูดไม่ถูกเทศไม่ถูกจุดแห่งมรรคผลนิพพานน่ น, น เพราะความซึ้งความเชื่อเหตุที่จะเชื่อเหตุที่จะซึ้งก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟังโดยลําดับลําดับนั่นแหละนี่ละจิตดวงเดียวนี้คั้นเวลาหนึ่งเป็นอย่างและเวลาหนึ่งเป็นอย่างทําไมจริงเป็นอย่างนั้นก็เพราะสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตหุ้มหอดจิตนั้นมันแม้มีแต่สิ่งที่ดํำดาทั้งนั้นสกรปรกทั้งนั้น ทำที่สะอาดเข้าไปไม่ถึงเพราะความสกปรกของจิตมีมากเทน้ําลงครุ่หนึ่งยังไม่ปรากฏความสกปรกนั้นจะหลุดลอยออกบ้างเลยต้องเทลงเทลงล้างชะล้างขัดถูกันอย่างเต็มกาลังพลสามารถไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ค่อยสะอาดขึ้นมาสะอาดขึ้นนี่แหละทำที่ท่านแสดงเหมือนกับเทน้ําลงล้างสิ่งที่สกปรกอุพาในจิตใจของเราซึ่งมันไม่ยอมเข้าใจอาจทําอะไรเลย ทั้งๆจิตเป็นธรรมมันประเสริฐแต่จิตมันไม่ประเสริฐจิตมันสกปรกจิตเป็นของไม่มีคุณค่าทําแม้จะมีคุณค่ามากเพียงไรมันก็ไม่ยอมรับเพราะสิ่งที่ต่ากับสิ่งที่สูงมันเข้ากันไม่ได้ขณะที่มันโง่มันจะเอาความฉลาดมาจากไหนขณะที่มันเศร้าหมองมันดํามันจะเอาความแจ่นความขาวมาจากไหนต้องอาศัยการชล้านเ้นเลยๆมันค่อยสะอาดขึ้นมาค่อยกลับขึ้นมาก็ปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาอะไรๆเมื่อจิตมี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 สร้างตรงตรงนี้หละตรงที่พูดเนี่ยพยายามสร้างพยายามขัดเกลาวลงไปกิเลสมันมีหลายชนิดตัวมันดื้อมันก็มีส่วนมากมันดื้อทั้งนั้นน่ะกิเลสถ้ามีกำลังมากก็ดื้อมากมีกำลังน้อยก็ดื้อน้อยอแล้วแต่มันมีมากมีน้อยของไม่ดีมีมากแสดงมันยิ่งแสดงความไม่ดีให้เห็นมากนั่นหละเราต่อสู้ตรงที่มันไม่ดีเพื่อเอาของดีขมา ครองภ า, ายใจิตใจเรื่องความขยันหมั่นเพียรความอดความทนการเจริญเมตตาภาณาทุกด้านเพื่อจะแก้สิ่งที่มันดื้อด้านอยู่ภายใจิตใจของเราเนี่มันคอยทําลายเราด้วยวิธีต่างๆทั้งๆที่เราเข้าใจว่าเรามาบําเพ็ญความดีแต่มันก็ติดมาด้วยภายใจิตของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเมื่อไรมันก็ต้องพยายามทําลายเราอยู่เสมอ เราจริงไม่น่าไม่ไม่ควรไว้ใจไม่ควรงองใจ <S <S มันแทรกอยู่ในนั้นเรามาอยู่ในป่ามันมาด้วยเพราะมาะอยู่ที่จิตเราอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยอื <S 1> <S 1> แล้วว่าเราไปเป็นธรรมไปบำเพ็ญธรรมมันไม่เป็นผู้ บ, บําเพ็ญธรรมก็ตามแต่มันก็ติดแนบไปด้วยนั้น่ะก SAND ั <S <S กบผ <Więc> ู้บําเพ็ญธรรมแล้วไปเป็นฆาตสุดต่อผู้บําเพ็ญธรรมแล้วผู้บําเพ็ญธรรมก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันมาทําลายเราเมื่อไหร่เราเลยถือ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 ความดีความชัว่วความผิดความถูกอันใดเป็นกิเลสอันใดเป็นธรรมซึ่งมีอยู่ภายในตนคูภายในจิตของเราดวงเดียวนี้มีวาสนามีทุกคนอยู่ที่ใจนี้ใครจะไปแข่งกันไม่ได้ท่านไม่ท่า น, านห้ามไม่ให้แข่งอนนานาจวาสนากันแม้แต่สัตว์ดีฉานาเทาก็ไม่ไปดูถูกเ ย, ยียะหยามเขาว่าเขาเป็นสัตว์ เพราะการท่องเที่ยวนวันตรสงสารเตรียบเหมือนกับเราเดินทางย่อมมีสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นดอนดอนขรุขระสะดวกง่ายเป็นธรรมดาอย่างนั้นตลอดไปในขณะที่เขาเกิดเป็นสัตว์ดิจชานก็คืออยู่ในสถานที่รุ่นรุ่นดอนดอนหรือขรุขระลําบากลําบนแต่ผู้เดินทางก็คือจิจพรมหากษัตริย์ที่เรายากยจองมาท่านเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองหรือเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเวลา รถท่านเสด็จไปตามถนนทางลงที่ต่ําท่านก็พระมหากษัตริย์ก็ต้องลงลงไปที่ลุ่มๆดอนๆก็ต้องไปตามสายทางที่พาให้ไปขึ้นที่สูงก็ขึ้นแต่กพระมหากษัตริย์กรงนั้นแหละขึ้นลงต่ําก็พระมหากษัตริตรย์ขึน้นสูงก็พระมหากษัตริย์กงเก่านั่นแหละมี่จิตเวลามันคลุกขะก็คือจิต ด, ดวงนั้นเนี่ยมีวาสนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคารมากก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาเพราะโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนกันอยู่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 ภัยหมดเวรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ทราบมันจะสู้กับอะไรเวลาที่มันมีข่าสึกอยู่ก็ต้องสู้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นแหละคือข้าสึกต่อตัวของเราเวลานี้เรามาลบ ก, กับกิเลสกิเลสไม่อยู่ในตัวของเราเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสที่หลอกเราจะชื่อว่าเป็นผู้สแสวงหาความฉลาดเพื่อแก้กิเลส ยาให้กิเลสมาโหฮา ว, วบานมัดพอเราถูกมัดดีเหรอเราเห็นไ้มคนอยู่ในห้องขังดีเลรอถูกต้องหาอย่งดีมีทางแก้แต่ถูกต้องขังนี่สิหมดท่ากิเลสกับเราต่อสู้กันนี่เหมือนผู้ต้องหาเวลานี้ใจเหมือนผู้ต้องหากิเลสก็มีทำก็มี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 ขุดค้นขึ้นมาพิจารณาเรามันมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะพิจารณาดูเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเละเรื่องกิเลสแทบทั้งนั้นเป็นหัวใจถ้าเราสร้างสติปัญญาขึ้นมาแล้วจะได้มองเห็นเรื่องของกิเลสที่แสดงตัวเป็นข้าศึกต่อเราอยู่มากเพราะอะไรตลอดกาลมาแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขพยายามต่อสู้จนได้ชัยชนะเป็นลำดับเลยรู้แถวทางของกิเลสที่มันออกในแง่ใดบ้าง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 จากเครื่องมือเคลื่อนสภาพร่างกายก่อนที่เขาจะแตกแกระดับจะให้แตกสลายทิ้งเปล่าๆเช่นอย่างไม้ที่ล้มทิ้งเกลื่อนหิ้วถอยไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยข้อเสียทรัพยากรของโลกที่นี้อยู่อันนี้ก็เป็นทรัพยากรอันหนึ่งภายในร่างกายภายใ น, นจิตใจของเราได้แก่ร่างกายพยายามนําสิ่งนี้มาบําเพ็ญประโยชน์นี้เท่านี้ที่เราจะได้ประโยชน์จากร่างกายนี้ทําเสียตั้งแต่บัด น, นี้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 มีความเพียรสนับสนุนสู้กันจนถึงที่ทีเดียวสารนี่เป็นสารสาคัญมากสารต้นก็อยู่ที่นี่สารอุทธรก็อยู่ที่นี่สารดีกาก็อยู่ที่นี่สารต้นคืออะไรสู้กิเลสขั้นยำหยาบสู้อันนี้ไม่ได้เอาขึ้นอีกสารหนึ่งสติปัญญาหาวบายมาใช้ใหม่เอาจนกระทั่งชนะขึ้นถึงสารสูงสุด ตัดสิน้นกันขาดโดยประการทั้งปวงได้จากที่เด่ยอย่างยากแก้ด้วยปัญญาอย่างหยากที่เด่ยอย่างกลางแก้ด้วยปัญญาอย่างกลางที่เด่ยอย่างละเอียดละเอียดสุดแก้ด้วยปัญญาอันสูงสุดสติปัญญาอันแก็บกล้าสามารถที่ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเอาถึงสารนการเนี่ยตัดสิ้นขาดกันลงสะบั้นไปไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่ต้องไปสารไหนอีกทีดูอย่อยางสมาย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 ให้มันได้ใจและชนะเราไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวผลที่เราได้ก็คือความเสีย อ, อกเสียใจความทุกข์ความลำบากนั่นคือเราแพ้ขุดค้นขึ้นมาพิจารณาคดีมันมีมูลอยู่แล้วที่เลิดมันมีเหตุมีผลเพรามันมันถึงเกิดขึ้นนี่เรียกวคดีมีมูลปัญญาก็มีเหตุมีผลที่ควรแก้กที่เลิดได้อยู่แล้วให้พิจารณาลงไปเหตุที่เลิดมันหลอกเราว่า อัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นเรานะเนี่ย <Yeah. S 2> ร่างกายทั้งหมดเนี้หนังก็เป็นเรา uh huh. เนื้อก็เป็นเราก็ดูกก็เป็นเราผมขนเล็ลอะไรเป็นเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทายในร่างกายนี้เป็นเราเป็นเรามาตั้ ง, งกับตั้งกันได้ uh huh. เรายอมแพ้มันตลอดแม่ว่าสารไหนพบใดแพ้มันมาเรื่อยๆ uh huh. คราวนี้เราเอาสู้สารขึ้นในอัตภาพนี้เรียกว่าสารต้นสารอุทธรสารสีกาเขาว่ากันลงไปตรงไหน uh huh. อ้าว แต่งทนายขึ้นมาสติปัญญาขุดค้นขึ้นมานั่นแหละคือทนายอันสาคัญสาคัญผูดตัดสินจริงๆก็คือภากษาได้จากปัญญาอันเฉียบแหลมค้นลงไปเห็นชาตุจริงให้เห็นชาตเจนจริงๆไหนคนยงจริงอยู่ที่ไหนสภาพร่างกายหรือเป็นเราเราจริงหรือเปล่ถ้าสภาพร่างกายที่แตกไปเราจะไม่หมดความหมายไปแล้วหรือนั่นร่างกายไม่ใช่เรานั่นเองแม้มันจะแตกสลายไปเราจึงไม่หมดความหมายเราจึงคือเราอยู่โดยดีเพราะไม่ใช่ร่างกายนะพจารณากัญจงนี้ ความหมายไม่ได้อยู่กับร่างกายความหมายว่าเรานั้นไม่อยู่กับร่างกายเรานั้นอยู่กับผู้รู้ผู้รู้จะไปหลงจะไปกอบปวยทุกข์ขึ้นมาทุกข์อยู่ภาในจิตเพราะการยึดถือก็มากพอแล้วยังจะไปหลงแดกหามไปอีกมันก็ยิ่งเป็นทุกข์อีกอะไรแล้วก็เป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดกอบปวยเข้ามาให้เป็นกองทุกข์นี้แหละคือแพ้ตลอดวันตลอดพบตลอดฆ่าค้นคว้ลงไปเห็นตามความจริงของมันดูหนังเนื่อนอก็ดูทุกข์ สิ่งทุกส่วนอันไหนเป็นเราจริงๆค้นลงไปด้วยปัญญาให้เห็นชัดดูลักษณะของมันสีสันวันนะดูให้ชัดเจนว่ามันเป็นเราจริงหรือความรู้อนี้กับธรรมชาติที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นลักษณะสีนั้นสีนี้นี่มันเข้ากันได้หรือกับความรู้ถ้าเป็นเป็นเราจริงความรู้กับแต่นั้นต้องเป็นสภาพเดียวกันแต่นี่สภาพมันก็ไม่เหมือนกันความรู้รู้อยู่มีเท่านั้นไม่มีสีสันวันนะแต่ร่างกายมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งปิ่นทั้งอะไรเต็มไปหมด ร่างกายมันแตกอ่าวถ้าว่าเราถือว่ากายนี้เป็นเราร่างกายแตกเราก็หมดความหมายคิดหายวายปวงไปหมดปนปี้ไม่มีอะไรเหลือเราจะเอาอะไรไปต่อพบต่อชาติเหยื่หน้าศาสนาต่อไปข้างหน้าเพราะร่างกายมันจมไปแล้วที่ว่าเราเรานั่นอ่ะเร<ม>าพิจารณาแยกทาเห็นชัดเจนถ้าเราไม่ถือร่างกายเป็นเราเนี่ยเอาร่างกายจะแตกก็แตกไปตัวเรายังมีอยู่นี่แหละคือตัววาสนาเ<ม>วทนาความสู่ความทุกข์เกิดขึ้นหนับไปเอาหนับไป นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเห็นชัดเจนนี่แ่ละคือหลักไตรลักษณ์ที่ก้าเขาถือใชสมองระพุมก็คือพิจารณาเห็นตามความจริงที่พระเจ้า ท, ทรงสอนไว้แล้วนี้โดยถูกต้องรูปังอนนี้จังรูปังอนัตตานั่นตังดุประกาศกรรมวานอยู่ทั่วโลกกระชาติจะพ่อยิ่งยิ่งทั่วสกลนาการของเราทั่วขันห้าไม่ว่าขันใดที่จะปฏิเสธอันนี้จังทุกขังอนัตตนี้ไม่มีเลย เไปด้วยเช่นนั้นประกาศดูเหมือนก็ว่าอย่าเอื้อมมานะมือแล้วตีข้อมือนะมไม่อายเหรอไปยึดเขาว่าเป็นเราเป็นของเรานะี่ะเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาต่างอันต่างจริงนี่ท่านผู้ลูกสอนไว้ท่านผู้ลูกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วละได้แล้วเห็นความสุขอันสมบูรณ์แล้วด้วยการละการถอนด้วยสติปัญญาประเภทนี้ประเภทนี้<ม>ให้พิจารณาตามนี้ตามนี้อย่าฝืนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปยอมตัวเป็น ลูกน้องของกิเลสวันนั้นเป็นเรานี้เป็นของเรานั้นคือเรื่องของกิเลสที่พายเราให้จมอยู่ตลอดมาไม่เข็ดไม่หลามอ่ะเงือกนะปัญญาแทรกเข้าไปอนิจังทุกขันาตาท่านว่าที่ไหนท้าไว่าในขันท่ารูปังนิจังนะี่รูปังนัตตานั่นเวทนานิจาเวทนาอนัตตานั่นสัญญานิจาสัญญาอนัตตานั่นสังขารานิจารสังขารอนัตตานั่น วิญญาณอันนิจังวิญญาณอนัตตานั่นสัเพธมาอนัตตานั่นต่างตื่นคว่าสัเพธมาตาเมื่อถึงขั้นเต็มที่ที่จะปล่อยวางปัจจัยทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติทั้งปวงไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนานพันว่าสัเพธมานตาหรือทำทั้งปวงขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่ว่าภายนอกภายในเป็นอนัตตาทั้งที่ไม่ควรจะยึดภาพเป็นเราเป็นของเราอื สุดท้ายทั้งหมดทำทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นสัปเเดอะไรทำมาจําไม่ได้อนิเวซ่ายะในบาลีทำทั้งปวงไม่ควรถือมัน่นนี่ถึงขั้นจะควรปล่อยวางแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยจิตจะได้พ้นจากความกดท่วงทั้งหลายไม่ว่ามากว่าน้อยเป็นอิสระจิตอิสระเสรี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 ไม่ใช่จะทิพหายจะตายไปด้วยความตายนั้นเมื่อไรความรู้เป็นความรู้ไม่ตายเราจะไปกลัวตายอันใดที่ปรากฏขึ้นมาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงแห่งความรู้ที่มีอยู่สติปัญญาที่มีอยู่ไม่ถอยหลังผู้นั้นแล้วผู้จะปวดเปื้อถึงความอิสระเสรีได้เพราะความไม่ท้อถอยพิจารณาได้ปัญญา น, นี่สร้างให้เต็มทีแล้วเราจะไปหาศาสนามาจากไหนอีกเมื่อเต็มแล้วก็เต็มอย่างนี้อีกอืงไมไ่ตั้งร้านขายกันเหมือนสิ่งของ ทั้งหลายลอ่ะผู้าณาจัยเป็นมหาสมบัติดูนี้เอาใจพระท่านเลยก็ไม่หมดอย่างพระพุทธเจ้ามันสั่งสอนโลกสั่งสอนเท่าไลายทั้งสามโลกก็ไม่หมดทำพระพุทธเจ้าออกมาจากมหาสมบัติคือธรรมชาติที่บริสุดของพระองค์นั่นแหละเราในวารานี้เราพยายามสั่งสอนเราเอาให้เต็มภูมิปอบเพื้อมาให้เต็มภูมิขึ้นสารดีกาตัดสินกันให้ราบลงไปอย่าให้มันมีอะไรมาค้านได้อีกเลยพี่เลนเอาให้เรียกพุฒ ถึงขั้นอิสระเสรีแล้วพอนั่นหลังงพอเราจะไปหาในโลกหาที่ไหนหาถึงเมืองพอไม่มีเออได้เท่านี้อยากได้ท่านั้นได้ท่านอยากได้ท่านั้นอยากประพัดตะปูเหมือนกับไฟได้เชือ้อเราเคยเห็นว่าไฟมันพอเชื้อมีที่ไหนเอาเชื้อฟ้าลงไปทีไฟจ ะ, จะแสดงเตลขึ้นมาท่วมเมฆเหม่อนวันไฟไม่ได้ดับเพราะการเพิ่มเชือ้อฮ่เอร์ไม่ได้ดับ เพราะความกระทำตามความอยากได้เท่าไรก็นี่แล้วไม่พออยากนั้นอยากนั้นอยากจนกระทั่งวันตายยังไม่พอนั่นขึ้นชีวะที่เดี้ยแล้วไม่มีเมืองพอความเป็นผู้ศิษยที่เลี้ยงแล้วนั่นคือเมืองพออยู่ที่ไหนก็พอเนอะความพอคือความสบายที่สุดความบกพร่องความหิวโหยคือการรบควรตัวเองอย่างเราหิวข้าวเป็นไงสบายเหรือ นี่แหละพี่นอนสบายเหลือนั่นความรบกวนทั้งนั้นไม่มีอะไรรบกวนท่านแสนสบายนี่แหละเมืองพอสร้างกิจให้พอตัวขึ้นชื่อชื่อว่าเมืองพอพออยู่ที่จิตวาสนาพออยู่ที่กิจเต็มสมบูรณ์อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นให้สร้างที่ตรงนี้นี่แหละเป็นตัววา่าวาสนาแทท้อยู่ธรรมของเราอืเอาละการแสดงธรรมนึ่เราต้องควรพักนี่